b o ๊ <Book> 2สี่สิบการสอบถามทางสปอเร่เอต e ตอ e ์ e าขอโทษค่ะชช่วยดีฉันทีได้ไหมคะคอม du ยี l ปไม แถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมคะวูร์ฟินเน a ์เจ g ์เอนกูร u r ิสตูร์เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมคะ่ะ go to the left at the h o r n e r ต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดคะ่ะ go a little r u r t h e r ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งรอ้อยเมตรคะ่ะ «Gå so 100เมตรไ t ทางขวาคุณส k ม n รถไปด้วยรถเมล์ก็ได้สามารถไปด้วยรถรางก็ได้คุณสามารถไปด้วยรถร n คุณสามรถไาก็ได้คุณสามารถไปด้วยรไคุณสามารถไปด้วยรถราก็ได้างก็ได้รคุณรถามดไปก็ได้รไม ดิฉันจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรคะวิธีเดินทางไ a สอลคืออะไรข้ามสะพานไปคะ่ะไปข้าออมสะพานไปคะ่ะข้ามสะนไปค่ะข้ามสไปค่นไปค่ะมสะพา่ะข้ามไปค่ข้ไป่สานไปคมสะาค่าไปค น, ส น, น่สนค่านะ Til kommer til det ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกค่ะท่ s โซ่เฟิสต์เวย์น์ทิลฮยู่ต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไปขี่ด่าเร็ตต์เร็ตฟรัมเวดเนสต์เ s ส์ขอโทษค่ะดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ u ุ่นชิ l บ h ดอนกลับมาถึงท่าอากาศยานวิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดินดีที่สุดคืออที่สอถนีที่สุดถนีทสุด้ทย้ยรุดคไปรทีุ่ดคไปที่อ